นัทพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 สุด เดียวคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสนะครับก็มาพบกับผมนะครับนัทพลดีอุดทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแปนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับคุณผู้ฟังครับรายการสุขอาสนะครับก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆนะครับในแวดวงของอาสาสมัครกิจกรรมอาสาต่างๆหรือว่าคนอาสาที่ ไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมต่างๆนะครับเราจะนำมา บอกต่อบอกเล่านํามาพูดคุยนะครับนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการแห่งนี้นะครับอย่างวันนี้ครับคุณผู้ฟังในช่วงแรกเรื่องราวของคิดอาสานะครับผมมีคอลัมนะครับเป็นบทความจากคอรัมน์มุมมองบ้าน3ามย่านนะครับเป็นเรื่องราวของพลังจิตอาสาพลังความดีพลังขับเคลื่อนสังคมไทยนะครับคุณผู้ฟังครับในระยะหลังนะครับเราจะเห็นจิตอาสาเป็นพลังในงานพี่สําคัญต่างๆจํานวนมากนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นไม่นานแต่เป็นการสั่งสมพลัง ความดีที่มีมาเนิ่นนานและจะขยายข้ามภรมแดนต่อไปนะครับโดยหากเราย้อนไปนะครับผู้ฟังพลังของจิตอาสาเริ่มมีมาตั้งแต่เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ก่อนปี 2,500 พลังแห่งความร่วมใจ จะไปอยู่ที่วัดและการรวมตัวทางศาสนาต่างๆนะครับองค์กรมนุษยธรรมอย่างเช่นสภาอนุนาโรมแดงที่ปัจจุบันคือสภากาชาตนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือกันภายในเช่นสมาคมตระกูลแท้ต่างๆเป็นต้นนะครับเมื่อการเวลาหมุนเปลี่ยนไปพลังจิตอาสารูปแบบอื่นก็ได้เริ่มงอกเงยขึ้นนะฮะปี2502ครับเกิดไขยอาสาสมัครที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปี2509นะครับด้วยการทำค่ายนะฮะเน้นการพัฒนาตัวเองตั้งแต่เมื่อครั้นเข้าสู่ช่วงปี2510เป็นต้นไปนะครับก็เกิดความจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาชนบทก่อประปักับพลังนักศึกษาเริ่มเข้มแข็งขึ้นกับค่ายอาสาจึงมีมากขึ้นนะครับและเน้นไปที่การสร้างถาวรวัตถุเช่นเดียวกันเองนั้นปี2110ครับอาจารย์ปุ๋ยนะครับก็ไต้ตังมุริบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยขึ้นมาต่อมาสปี2512 คุณผู้ฟังก็ได้เริ่มโครงการบัณฑิตอาสาสมัครใช้อาสาสมัครได้เรียนรู้ชีวิตจากการทํางานในชนบทที่ห่างไกลนะครับอย่างไรก็ดีครับต่อมาในปี 2,516 ถึง 2,519 พลังนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมก็เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับจนเกิดกระแสต้านในด้านกลับนะครับอันนําไปสู่เหตุการณ์6ตุลาที่ทําให้เกิดการระงับค่ายอาสานะครับต่อมาพร้อมกับพลังนักศึกษาที่เหงดหายลงนะครับซึ่งอาสาที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือโกมลคีมทอง ผู้บ่มเพาะจากค่ายอาสาสมัครพัฒนาชนบทและต่อมาก็ถูกยิงตายในขณะที่อุทิศตนสอนหนังสือในท้องที่ธุระกันดานนะฮะและยุคนั้นนะครับก็เป็นยุคที่ผู้นำอาสาทำความดีในปัจจุบันอย่างครูแดงเตือนใจดีเทศและพยาภัยสารวิสาโรก็เริ่มกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมอื่นๆเพื่อสังคมนะครับถัดมาในปี2523ครับคุณผู้ฟังเมื่อการเมืองเริ่มผ่อนคลายขึ้นนะก็เกิด เป็นยุคองค์กรพัฒนาเอกชนนับเป็นจุดเริ่มงานของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมก็เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับต่อมาก็ได้จดทะเบียนเป็นมูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมที่ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอาสาสมัครครุ่นใหม่ที่ทํางานในประเด็นที่ลึกซึ้งและข้ามพรมแดนนะครับในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้งานอื่นของภาคประชาสังคมก็คือการรับมือนะครับกับผลกระทบจากการเลี่งรัดการพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหการรมใหม่และการสร้างฐานของประชาธิปไตย ค ร, ครั้นมาถึงช่วงปี 2,540 เป็นต้นไปจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หลังวิกฤตต้มยำกุ้งคนที่เติบโตในยุคนี้หลายคนหัน หาคุณค่าที่มากกว่าแค่ตัวเงินเกิดแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจหรือว่า CSR นั่นเองนะครับเกิดขึ้นมาในองค์กรอาสาสมัครในองค์กรธุรกิจนะครับอย่างในกรณีของวัดพระธรรมกายนะครับก็ทําให้ชาวพูดหลายคนตั้งคําถามต่อเรื่องการทําบุญและการนํามาสู่การจัดตั้งเครือข่ายพุท ธ, ธิกานะครับที่เริ่มต้นจากเรื่องของการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสาและนําศาสนามา เ, มเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมล่วงถึงปี2546นะครับแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ ภายใต้สำนัก ง, งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสก็ได้ลิเริ่มคำว่าจิตอาสาขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกเพื่อปรับโฉมหรือว่ารีแบรนด์งานอ่านสมัครให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ภาพ ค่ายแบบตะก่อนนะครับและเน้นย้าว่าการทํางานอาสาย่อมพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ระดับจิตใจนะครับด้วยจากนั้นไม่นานเมื่อปี2547ครับคุณวัวฟางเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินี่เองเป็นคราที่พลังจิตอาสาเป็นส่วนสําคัญในการกอบกู้วิกฤต จ, จิตอาสาเป็นส่วนสําคัญในการระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนเงินและสิ่งของตลอดจนเป็นที่ตระหนัก ตราหนักนะครับว่าจิตอาสาต้องมีการจัดการที่ดีและสามารถพัฒนาให้เป็นระดับมืออาชีพได้ขีดความสามารถเหล่านี้ถูกทดสอบอีกครั้งเมื่อคราเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554และแสดงให้เห็นว่ายังเป็นพลังที่สำคัญของสังคมไทยอยู่นะครับมาจนถึงปัจจุบันจิตอาสาก้าวสู่ยุคใหม่ เราเห็นงานหลายงานที่ใช้สื่อสังคมระดมทุนแล้วประสบความสําเร็จอย่างเช่นกรณีของขู่ต้นกล้วยนะครับที่อาศัยการระดมทุนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือวงอิมมานูอ์ออเคสตรานะครับวงดนตรีคลาสสิกที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนแออัดคลองเตยนะครับเราจะเห็นการเกิดขึ้นของกระแสการเที่ยวไปถึงไหนก็ไปทําอาสาที่นั่นนะครับรวมถึงการอาสาเก็บขยะในท้องที่ต่างๆซึ่งเหล่านี้จิตอาสาแบบใหม่ที่เชื่อมตัวงานอาสาเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ดีนะครับ งานอาสาแบบที่มีมาเนิ่นนานแล้วก็ยังดำรงอยู่เรามีมออสนะครับหรือว่าอาสาสมัครเพื่อสังคมเนี่ยยังคงผลิตอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนนะครับอย่างเข้มแข็งโดยมีโครงการอาสาสมัครข้ามพรมแดนในอาเซียนงานของเครือข่ายจิตอาสาก็ได้ถูกยกระดับไปเชื่อมกับเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนในส่วนที่มาจากภาคศาสนาก็มีบุคคลตัวอย่างอย่างมหาอาพระมหาพงนรินและพระ วินนะครับที่นำแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการทำความดีของเยาวชนมีกลุ่มไทยซิกนะฮะที่ออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยตัวเองออกมาเกื้อกูลสังคมของคนชายขอบในวงกว้างนะครับหากโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่า3ประการที่เพาะบ่มจิตอาสานั่นก็คือนนั่นก็คือบทบาทนะครับที่ต้อง หนุนเสริมการของหลายภาคส่วนภาครัฐภาคประชาสังคมองค์กรศาสนาสถาบันการศึกษาให้มีจิตอาสาที่เหมาะสมนะครับอย่างที่2ครับคือการเรียนรู้จากปัญหาจริงและการส่งต่อแรงบันดาลใจในกลุ่มรุ่นสู่รุ่นและอย่างที่3นั่นก็คือการจัดกระบวนการของจิตอาสาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับซึ่งเหล่านี้สนับสนุนการพัฒนาจิตอาสาซึ่งสามารถต่อยอดไปได้อย่างน้อยใน3มทิศทาง1ก็คือจิตอาสาที่ไร้พรมแดนไม่ว่าเราจะ จะออกไปอาสาข้างนอกร่วมเรียนรู้กับเขาหรือให้คนจากภายนอกเข้ามาอาสากับเรานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน2ก็คือพลังของจิตอาสาต่อการรับมือกับภัยพิบัติที่ต้องต่อยอดต่อไปและ 3. ให้เป็นพลังแห่งการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปแก้ปัญหาด้วยธีการและความเชี่ยวชาญใหม่ๆหรืออาจแตกยอดไปเป็นวิสาหกิจ เพื่อสังคมก็เป็นได้นะครับเช่นนี้เลยครับคุณผู้ฟังจิตอาสาจึงไม่ใช่คําที่เราคุ้นหูเท่านั้นนะครับแต่เป็นกระบวนการที่วิวัฒน์ให้สังคมไทยมาเนนานแล้วนะครับและจะเป็นอยู่อย่างนี้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับด้วยเหตุการณ์สุนัม่ปี2547พระรังจิตอาสาเป็นส่วนสําคัญในการกู้วิกฤตและการระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนเงินสิ่งของตลอดจนเป็นที่ตระหนักว่าจิตอาสาต้องมีการจัดการที่ดีนะครับขอบคุณบทความดีๆนี้ด้วยนะครับที่เรานำมา ในวันนี้เป็นบทความจากคอรัมน์มุมมองบ้าน3ามย่านนะครับชื่อบทความว่าพลังจิตอาสาพลังความดีขับเคลื่อนสังคมไทยนะครับขอบคุณที่มาด้วยจากกรุงเทพธุรกิจครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนอาสานะครับช่วงหน้าคนอาสาผมมีเรื่องราวของ CPF นะครับในการเติมรอยยิ้มสร้างกำลังใจคืนความสุขให้แก่ผู้สูงวัยในสังคมครับ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 กลับมากับช่วงที่2องฮ ะ, ะคนอาสาครับวันนี้คนอาสาผมมีเรื่องราวขององค์กรอาสานั่นก็คือ c p f นะครับในการเติมรอยยิ้มสร้างกําลังใจคืนความสุขให้แก่ผู้สูงวัยในสังคมนะครับคุณผู้ฟังครับโครงการกองทุน c p f คืนความสุขผู้สูงวัยมีเป้าหมายชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับที่ไร้ผู้ดูแลไม่มีไรายได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนปลุกจิตสํานึกความกตัญญูเป็นความร่วมมือ ของบริษัทเจริญพภกระพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ที่ร่วมกับมูลทีเจริญพกระพันดำเนินการ โครงการนี้อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่9แล้วนะครับโดยผู้บริหารและพนัก ง, งาน CPF จิตอาสาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยตัวแทนของหน่วยงานในพื้นที่ประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องปรับตำบลดอนกระเบื้องนะครับกำนันผู้มนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้องพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือวอออ่าอ .2 มที่ตำบลดอนกระเบื้องนะครับในการลง พื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย2รายที่อาศัยอยู่รอบโรงงานเพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัยรายแรกแนั่นก็คือคุณยายกา ร, รยาเจริญศิลป์หรือคุณยายเตียยครับวัย76ปีซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจและโรคไต เคลื่อนร่างกายไม่สะดวกนะครับไม่มีลูกหลานดูแลอาศัยอยู่กับพี่สาวและหลานสาวซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรงในสภาพที่อยู่อาศัยเก่าหลังคาบ้านเป็นสังกะสีผุๆนะครับมีรอยน้ำรั่วตลอดแนวเวลาที่ฝนตกก็ต้องใช้ถังน้ำหรือหม้อ รองน้ำฝนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ้านนะครับโดยสภาพที่นอนเก่าและเปียกน้ำฝนโดย CPF ได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนขอความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยซื้อไม้ทาโครงหลังคาใหม่และเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมดรวมทั้งรับเข้าโครงการกองทุน CPF ค, คืนสุขผู้สูงวัยตั้งแต่ปี2557โดยได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาทเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะครับ ป้าอุทัยนะครับสนรอยหรือป้าไทยอายุ65ปีเป็นผู้สูงวัยอีกรายที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการกองทุน CPF คืนสุขผู้สูงวัยตั้งแต่ปี2559นนะครับโดยป้าไทยป่วยเป็นโรคหอบหืดและต้องการ และต้องทําหน้าที่ดูแลหลานสาวซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะครับมีปัญหาสุขภาพริ็นหัวใจรั่วเนื่องจากลูกสาวของเป้าไทยสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคภูมิแพ้ง่ายซึ่งรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการของหลานสาวและเงินช่วยเหลือจากกองทุนไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือนจึงหารายได้เพิ่มเติมด้วยการรับจ้างลอกต้นหอมกิโลละ2บาทนะครับซึ่งในแต่ละครั้งจะมีพ่อค้านํามาส่งให้ประมาณ20กิลก ร, รัม ช่วยให้เป้าไทยมีรายได้จากการลอกต้นหอมครั้งละประมาณ40บาทนะครับในชำนาญหลีท้วนนะครับผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนกระเบื้องกล่านะครับว่า CPF เข้ามาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนช่วยส่งเสริมสุขภาพชีวิตให้ดีขึ้นทางด้านสุขภาพด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นในรายของป้าเตี้ยมซึ่งเดิมเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ไม่ยอมไปผ่าตัดเพราะไม่มีเงินทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก็เลยเข้าไปรับ รักษาตามอาการอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกวันนี้ป้าเตี้ย ม, มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำบับแต่พบนะครับว่าป้าเตี้ย ม, มีปัญหาสุขภาพทางใจเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนักหลังคาบ้านน้ำรั่วเตียงนอนเก่าสุดโซมทางผู้นำชุมชนจึงต้องจึงได้ขอความช่วยเหลือจาก CPF ที่ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ทั้งหมดและซื้อเตียงใหม่ให้พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกับ ชุมชนในการซ่อมแซมบ้านให้ป้าเตียมเสร็จภายในหนึ่งวันด้วยป้าเตียมดีใจและซึ้งใจจาก มากจนน้าตาไหลและยังได้รับเงินช่วยเหลือจาก CPF อีกเดือนละ 2,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตามความจําเป็นนะครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันในครับ CPF และมูลนิธิเจริญ พ, พ่อกระพานดาเนินการโครงการกองทุน CPF คืนสุขผู้สูงวัยโดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงวัยในที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดือนละ 2,000 บาททุกๆเดือนจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรมหรือมีลูกหลานรับไปดูแลนะครับโดยณนะเดือนสิงหาคม 2,562 มีผู้สูงวัยที่ได้รับความช่วย เหลืจากโครงการจํานวน369รหกายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งองค์กรอาสานะครับที่ช่วยสร้างสารรค์สังคมให้แน่อยู่ในการสนับสนุนชุมชนไปดูแลผู้สูงอายุในการเติมรอยยิ้มสร้างปรังใจและคืนความสุขให้แก่ผู้สูงวัยในสังคมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่น่ายกย่องชื่นชมนะครับขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยจากเครือเจริญโภกกัะหันนะครับคุณผู้ฟังครับ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 กลับมากับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับภารกิจจิตอาสาครับวันนี้ภารกิจจิตอาสามีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังถึง2กิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมแรกครับคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมจากบริษัทไปสณีไทยจำกัดนะฮะที่เปิดโครงการไปสณีไทยท่งตอน้ําใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุอ่าโพดุล น, นะครับเพื่อดมทุนในการช่วยเหลือผ่านการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลโดยประชาชนไทยสามารถ ร่วมบริจาคเงินนะครับได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการหรือกล่องรับบริจาคณไปษณีทุกแห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่15กันยายน2562โดยนางสมรเทอดธรรมพิบูรลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปซณีไทยจำกัดหรือว่าปณทกล่าวนะครับว่าไปษณีไทยภายใต้กา ร, ก, ารกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นําเครือข่ายไปซณีที่ครอบคลุมกว่า 1,300 แห่ง มาใช้เป็นจุดเชื่อมทานน้ำใจจากชาวไทยทั่วประเทศโดยให้ไปรษณีย์ทุกแห่งเป็นจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้ประสงค์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลโดยสามารถบริจาคได้ณไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจะส่งต่อผู้ประสบภัยต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับไปรษณีย์ไทยยังพร้อมอาสาจัดเจ้าหน้าที่ขนส่งไปรษณีย์ขนาดใหญ่ช่วยลําเลียงสิ่งของรับบริจาคส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนด้วยนะฮะด้วยสามารถติดต่อไที่หมายเลข0 2นย์3องแปดสาม3นึ่งและสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลข call center 1545หรือ w w w thai land post co th นะครับ นี่คือเรื่องราวแรกที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของภารกิจอาสานะครับกับเรื่องราวของไปรษณีย์ไทยในการเปิดจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุพูวดุ่นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับคุณฟังที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับนั่นเป็นเรื่องราวของการต้องการอาสาสมัครด้านเด็กและเยาวชนจํานวน58อัตรานะครับโดยนางสาววรนุชสวยขาข้าผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกล่าวนะครับว่าสํานักพัฒนาสังคมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอา อาสสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคมประจําปี2563ตําแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนประจําศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครจํานวน2อัตราอาสาสมัครด้านเด็กและเยาวชนประจํารถบัสสวัสดิการเคลื่อนที่จํานวน13อัตราอาสาสมัครโครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบ้านอิ่มใจจํานวน13อัตราอาสาสมัครโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสจำนวน9อัตราอาสสสะสมโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงจำนวน6อัตรานะครับและอาสสสมัครโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2องจำนวน15อัตรานะครับโดยคุณฟังท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายน2อง2ันาณฝ่ายบริหารงานทั่วไปชั้นสี่สำนักงานสวัสดิการสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมโทร0 2นย์5องสองส 2455162ในวันและเวลาราชการนะครับนี่คือ2เรื่องราวที่นํามาฝากคุณฟังในวันนี้ในช่วงของภารกิจจิตอาสานะครับและเราก็เดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วนะครับคุณฟังเราเดินทางมาครบทั้ง3ช่วงรายการทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสานะฮะเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ทุกวันศุกร์นะครับในรายการศุกร์อาสานะครับคุณฟังสําหรับวันนี้ครับคุณฟังผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังครับลากันไปนะครับสวัสดีครับ ให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิดอาสามุ่งมันทำด้วยจิดที่คิดจะให้ จิตอาสาเราพาภูมิใ รมา